เปิ่งกับพ่อพนคนนอนรับแล้อ ว, ออาอว่าอายุก็เพียงหาสิบโ ก, บกปีบ่มากแต่ว่าเป็นโรคมานาน่นเป็นโรคอยโรคอยเบาหวานก้นสิล้มสีตายเป็นนั่นละยังไม่โรคยังต้โรคยังมาล้มมาตุ่มพ่อปันทหารพ่อปันเมืองทีแตกนะ่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 ทหารพญาโอสถดเนี่ยสูบวายเลยพายเรียบร้อยพายทับเลยแหละทหารพญาบรรจุลาเนี่ยตีตัดร่มเข้าไปเลยเนี่ยโนสุก็บยึดคล้องเมืองกายยนครอนได้พญาจิตตลาดกับเพนแหนบเป็นตัวบัตเนี่ยหางจุกตูดละ่ะนี่แหละร่างกายของเข้าเป็นสันอ่ะกันอยู่ดีมีสุกกะใครๆมาปกคล้อง ถ้าท่ายผู้อื่นอีกต่างหากมารอดเนี่ยเป็นยังสั่นต้องใส่ยาแบบนี้ต้องมาเนี่แบบใส่ยาแบบนี้ไปพญาจิตตลาดกับพวกพญาโอสด เ, เปิ้นกี่คุยใส่เขาเน่อยไปพญ า, ยาทหารพญาบัจจรจุลาศเฮ็ดหนวดข ย, ยุบข ย, ยับขยุบขยับเอ้ยเนี่ยไปหากี่คุยหลายทหารพญาบัจจรจุลาศนะ ห้อยสักหน่อยเนือกันนั่นแหละอันนับแหละกตีแขงตี้ากอ น, น, นไปสองทหารทีบุวมีฝีมือรนาะไปทหารลูกหับเขาตีบอลไปเออพ่อตีเพื่็สู้ได้วันนู้นไปเออทหารพรญาจิตลาภนี่ทรงานพ่นพญาโอถนทนไปบกป้องเออแกปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดทองได้โ อ, โอ้เก่งเย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 พอเนื้อชดกันพญาจิตราศไปทางไหน่อเนี่อหางจุกตูดไปหา ก, กล่างสางเมื่อไมเอีกบาดเนี่ยคันาว่าพญาจิตลาศนะมีเงินได้เตรียงพร้อมลงไปคันาว่าในข้องเมืองกายยนครนี่ยข้องเมืองกายนกกายนครนเี่ยเตรียมพร้อมหมดลไปบอประมาทเอตามว่าขา ศึกศัตรูมากเนี่เข้าสิเอาอย่างติดตัวไปน้ำแน่สิกยก์ไผ่พ้นไปทางไหนไปทางทิศไหนแล้วไผ่พ้นของเขานี่เข้าสิเตียมซับสมบัติไอ้อย่างติดเท่าไปอีกพญาจิตลาทะคิดได้ไว้ในใจอยู่จังสันวนลนไปคือตั้งอยู่ในความบอบประมาทเนีเตียมพร้อมดาว่าเข้าแพร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 ันว่าพญาจิตตลาดประมาทกันนั่นแหละกินเหลา่าเม้าจุลา่าขั้นซ่ายาวฟินให้เราอินเลนการพนันเนี่ยอนแต่แฉฝอนแต่เย่งฝอนตั้งยัง่งพญาจิตตลาดประมาทนะธานีพอพญาตบัจจุราชทหารพญาติพญาติขามา่าเนี่ยตีกระหน่ำขามาเอีเป็นสมุนของพญาตบัจจุราช พญย า, ยาจิตตลาดก็ทรงทหารพญ า, ยาโอซดก็ไปสู่เพศสัตว์โอซดสู่บาวายกันนั่นะทนี่สู่เบิงปล้องปลองกาลังเบิงกันปลองกาลังบวาเลยก็นั่นแหละต้องหาทางและท่า้นี่ันว่าพญาจิตตลาดตั้งอยู่ในความประมาทก็ยังวานี่คว้าพูนคว้าพี่จกักจะไปยังไดฮะเนี่ย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 คือสรุปแปลก็คือเห่าเกิดมาในวัตะสงสารเนี่ยเบียดไวดตายเกิดเนี่คือกันขปิยาจิตตลาดนั่นนะมัดครองร่างกายของเห่านี่กายของเห่านะี่มีอยู่สองยางกนะายขับใจเอาน้มธรรมก็รูปประถ้ำรูปรประถ้ำคือร่างกายคือกายยนค้อนอน้มารรมก็คือจิตลจตลาดปญยาจิตตลาดคล้องกายยนคร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 มันกระทุกอเขาตีล้อมเมืองเราพ้นเขายึดเมืองได้แล้วจะมีความสุขไหมปัญหาความสุขบุมม๊ดได้หรอกพญาข้องเมืองพญาจิตรราชปัญหาความสุขบุได้เขาข้องเมืองแหละพญามัจจุราชเขามากข้องเมืองลจะหาความสุขได้จังใดก็มีแต่หาทางออกอย่างเดียวคันว่าหาทางออกไปแล้วก็มีสับสมบัติติด ตัวไปน้ำกับพุน่นไผยพุ่นที่เคลื่อนย้ายออกจากกายยนครอนไปตั้งกุ่งไปตั้งเมื่องไมอันนั้นก็พ่อทาเน่าอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพวกเฮ้าเกิดมาในโลกเนี่ยเกิดมามีร่างกายย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอเดี๋ยวอีกสักมือหนึ่งน่ะพญ า, ามัจจุราชจะมาตียังแม่ของน้องเนี่ย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 เออหัวสุกหัวสุนไนงะอันนี้นะขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณนงามความดีเอาไว้ชีวิตของเข้าบทเทียงแแน่นอนจักรเสียนมือใดละ อ, อ่าพญามัจยุรห์ที่เขามาตีกายยนาคนครของพวกเข้าเดี่ยนี้ก็ตีไปหลายหมองเลยเดย้บางคนกับผมหอก บ, บางคนกับแขวรุดนะบางคนก็ตาฝ้า ฟ, า, ฟางบางคนกับหูตึง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 สอบผ่านหรือสอบบวชผ่านหน้าที่สุดท้ายแล้นะขันวพะพญาจิตตลาดมิตรเทียวมิตรเล่นจันุกสนานพรพญาจิตตลาดสอบตกแล้วสอบตกกว่าไปเกิดเป็นชัตติรชานไป็นตกนรกต่างหากพอไปตกนรกมาเกิดเป็นชัตติรชานเป็นเปรตเป็นคนหูหนวกตาบอดบ่าใบาเสียจิตอีกต่างหากหนอันนี้คือพญาจิตตลาดตั้งอยู่ในความประมาทต้องเป็นอย่างนั้น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 ออมาเถอะเราเราเถอะข่าเฉลิโดตเราเราไปออพอเนั้นหลวงพ่อยังเตือนพวกเฮาทันทั้งหลายนะหลวงพ่อเนี่ยตั้งอยู่ในะความบ่อประมาทเอ๊ะว่าชีวิตของเฮ า, าเป็นของบ่อเทียงแท้แน่นอนตายในทุกเวลาตกใจด้ทุกเวลา อ, อนั่งรถไปก็ตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนอ่นรับดีตายก็มีนอนกินเขาอิ่มตายก็มีนางคุยกันตายก็มีมันตายในทุกเวลาเ อ, อถ้าบรรยายถึงความตายนะโอ๊ย